ท่า น, นสาธารุทนบริษัททั้งหลายและเพื่อนบรรดาวิศวกรสมนเนทั้งหลายสำหรับวันนี้การที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่แปดตุลาคมพศสองพันห้า้อยี่ิหกเพราะว่าบันทึกเป็นคัดเศษที่สองให้เป็นหน้าที่สองของคัดเศษวันนี้ก็จะพูดถึงแก่นตามที่พระเจ้ทาทรงตรัส ความมีว่ามมิโครทปรีภาชกกลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การนายบาปเป็นกิยาที่ถึงยอ ด, ดถึงแก่นไม่เหตุเพียงเท่าไรขอว่าธานบ ร, โริโภคขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระเจ้าถึงยอดถึงแก่นในการนายบาปด้วยเถิดพระเจ้ากา่า <c> ใ <oughs> นที่แล้วมาท่านพูดถึงกระพีนะ่ะจะไม่ต้องยำ้ำ องสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วคือระวังแล้วด้วยการสังวรสิบราการแล้วตัดว่านิโครทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสิบราการ ข้อที่จะกล่าวต่อไปจึงเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตะบะเขารักษาศีลอย่างยิ่งไม่เวียนมาพราะเพศอันเลวเขาเสพเส น, สนาสนะอสงัดเขาละนิวรห้าอันเป็นอันเป็นอุปกิเลแห่งใจที่ทำใจให้ถอยหลัง ป, ปัญญาทำบัญญัติให้ถอยหลังถอยกำลังลง มีใจประกอบปฏิเมตตาแผ่ไปในทิศทั้งปวงเขาย่อมลึกชาติก่อนได้เป็นมากคือเลึกชาติหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตะกับเป็นมากและตลอดวิวัตตะกับเป็นมาก แล้วก็ในภาพโน้นบ้างทราบชื่อว่าในภาพโน้นเราเรามีชื่อว่าอย่างนี้เรามีโคดมีแต่ ก, กูลว่าอย่างนั้นมีผิวพันุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุอย่างนั้นขั้นจุติจะพบนั้นแล้วไปเกิดในพบโน้นบ้างเนบเกิดพบนั้นบ้างแล้วมีชื่ออย่างนั้น <c oughs> มีโคดมีตระกูลอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสดิสุทสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติเจ้าภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เขอยอายอมนฤมิตรใช่ก่อนได้เป็นอันมากพร้อมท่าการพร้อมทั้งอุเทศด้วยการชนี้ แล้วก็ทรงตัดว่านี่หมายความบรรดาทั้งพุทธบริษัตทโปรดทราบพระพุทธเจ้าให้ทรงจับตั้งแต่เปลือกเข้ามาแต่ว่าสําหรับผมมีความเห็นว่าตรงจ้องจับตั้งแต่สเก็ดเข้ามาถ้าแล้วเกาะสเก็ดไม่อยู่เราก็ไม่มีเปลือกจะเกาะถ้าแล้วเกาะเปลือกไม่มีเปลือกจะเกาะแล้วก็ไม่มีกะพี้จะเกาะ ฉะนั้นจังเกาะเป็นลำดับตั้งแต่สเก็ดตั้งแต่เปลือกแล้วก็ถึงกระพี่กระพี่คือระลึกชาติได้แล้วสิ่งที่ถือว่าเป็นศัตรูของกำลังใจอย่างหนักนั่นก็คืออุปกิเลสรือกิเลสทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ดีนะยาแตะต้องเป็นขาดยาทดลองนะครับอานนี้เพราะอะไร พว่าผมทดลองมาแล้วบางอย่างมันไม่มีผลจริงๆที่เราคิดว่าดีความจริงไม่มีอะไรดีเลยถ้าคุยกันต่อไปสมเด็จพระผู้มีพระพ่าจเจ้าตัดอย่างนั้นแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิครุธ ท, ท่านจะสําคัญความข้อ น, นี้ไปเช่นไหนเมื่อเป็นยนนี้การไหนบาทจะเป็นบริบูรณ์หรือไม่บริสุทธิ์ ทีโคท่าเขายืนยันที่โคท่ายืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทำไได้บริสุทธิ์แท้พระองค์ทรงตัดว่านี่ไม่ใช่ถึงแก่นเป็นกิริยาที่ถึงกับพียงในที่พูดเมื่อกี้นี้นะเมื่อท่านไล่เบียมาถึงกับพียแล้วก็ทรงตัดต่อไปอย่าลืมนะครับไล่เบียมาตามลำดับเราต้องทรงให้อยู่ให้ได้กําลังใจ จงอย่าคิดว่าไม่ไหวเพราะงานขนณามีหนักกว่านี้การที่เตตะกิเลเ้ไปสมุทรเฉธยดทหารพระบรมมรรคผลต่อจะต้องยืนกำลังใจส่วนนี้ให้ทรงตัว <c oughs> แล้วก็บรรดาญาโยมพทธบริษัคขับรดทราบอันนี้อาตมาไม่ได้อิจฉาทศ ย, ยาใครแต่ว่าอยากให้พระพุทธศาสนาทรงตัวมีความเจริญรุ่งเรือง เวลานี้ทั้งพระก็ดีทั้งครวญก็ดีมีความเดือดร้อนมากว่ามีคนมุ่งทําลายพระพุทธศาสนาและก็มุ่งกลืนพระพุทธศาสนาผู้ที่มุ่งทําลายพระศาสนาในเขาฉลาดเขาไม่ใช่ใครที่องค์สมเด็จพระบรมบาโลกก็า่าทรงตรัสว่าศาสนาเขาตถาคตจะสลายตัวไม่เจ๊ไรก็คือลูกของตอถาคตท่นเอง ได้แก่อุบาสกอุบาสิากาพิสุภิสุนีผู้มีความเห็นผิดติดเห็นลาบสิการะติดศัก์ศรีตัดสันติสัสเสรินมากเกินไปเวลานี้ก็มีที่องค์สมเดจ็จไปจมไตรบริมศาสันดาลทรงตัดไว้เสมอยืยนยันเรื่องเทวดาเรื่องพรมแต่ก็ยังมีคนนิยมถือเพศสมณนะคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเทวดาไม่มีพรมไม่มีนี่แล้วก็ยังประกาศตนว่าเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ถูกต้องเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาโดยตรงอันนี้จะเป็นใครก็ตามแต่มาไม่ได้จี้จุดฟังเขาแววแววก็ได้ยินเสียงแววแววเขาไม่ประกาศตัวว่าใครก็ตกใจเหมือนกัน ว่าทำไมเระกาศตนว่าเป็นประสงค์ในพุทธศาสนาจึงทำลายกันขึ้นขนาดนั้นเป็นการตั้งใจทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็คุยกันต่อไปไปเดี๋ยวก็รู้นีโครูรทับรียาพชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญการนายบาปด้วยจะบะเป็นกริยาที่ถึงยอดถึงเกณฑ์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพิจาวขะ ขอพระธารมาโรกุกะดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระเจ้าถึงแก่นถึงยอดด้วยการหน่ายบาปด้วยเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนนิครุษะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้เป็นผู้เสื่อมวรแล้วด้วยสื่มทราสี่ประการเขาย่อมระลึกถึงใช่ก่อนเป็นนมาก เราเลือกได้ชาติอย่างบ้างสองชาติบ้างแล้วไม่จํากัดบ้างพร้อมทั้งุเทศเรูปเรขา่านนี้เขาเห็นโมสัตว์ที่กําลังจุติตอนนี้ฟังให้ดีนะแก่นนะเขาเห็นโมสัตว์ที่กําลังจุติแล้วก็กําลังอุบัติจุตินี่เคลื่อนไปจุตินี่แปลว่าเคลื่อนนะครับตายไปแล้เวเทวดาเคลื่อนไปนี่ก็เรียกจติ กำลังอุบัติหมายความจ ะ, จะมาเกิดเลวบ้างปาณีตบ้างมีผิวพธุ์ดีบ้างมีผิวพรุ์สามบ้างได้ดีบ้างตกยากบ้างด้วยทิพยจับรสุธร์มริศล่วงจากสุ ข, ขมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามคำว่าสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> ยึดถือก า, ารกระทาด้วย อ, อำนาจของมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าไปถึงอาบายทุกตินิบาทนรก ส่วนสัตว์นัหลายเหล่านี้ประกอบด้วยกายาสุจริตมนโนสุจริตและวจีสุจริตนัตมาอ่นคล่อมไปนิดหนึ่งท่านว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันนี้ก็เลยถือโอกาสพลิกหนังสือไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเรื่องหน้าแต่ตาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เขาย่อมเห็นโมสัวกกำลังจุติกำลังอุบัติเลวปราณีตผิวพันธ์ดีผิวพั น, พพน์สามได้ดีตกยากด้วยเทียบทิพยสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุ ข, ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการเช่นนี้ดูก่อนนิโครูท่าท่านจะสําคัญความข้อ น, นี้ไปเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การไหน่บาดด้วยตาบ่จะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์เพียงใดอ น, น, นิครูท่าได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบะบริสุทธ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์ทไม่ได้ปรียญยาที่ถึงยอดถึงแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดว่าดูก่อนิโครธาการหน่ายบาปด้วยตาบะเปริยญาที่ถึงยอดและถึงแก่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ม่าดูกอนิโครธา เอ็นกล่าวกันเราอย่างนี้ว่าธรรมของพระผู้มีพระภาคสําหรับแนะนําสาวกนั้นชื่ออะไรทำชื่ออะไรสําหรับรู้แจ้งชัดอธิพรมจารย์เป็นต้นอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งภาษาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนําแล้วถึงความยินดีดูก่อนนิโครทะ ฐานะที่ยิ่งกว่าและประณีกว่าดังนี้แหลเป็นธรรมสาหรับเราแนะนํำภาษาวกไม่หมายความว่าแค่นี้นะถึงแก่นนะยังไม่ถึงที่สุดพระองค์ยงยืนยันว่าเราสอสอนสาวกยิ่งไปกว่านี้อีกประนี่ดีกว่านี้อีกยังมีอยู่เป็นธรรมสาหรับผู้รู้แจ้งชัดเจนที่พรหมจันทร์ อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งภาษาพวกที่เราแนะนําแล้วถึงความยินดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ผู้บริพายทกตันหลายเหล่านั้นได้เป็นผู้มีเสียงดังอันเรีลั่นไีกขึกว่าผู้เรากับอาจารย์ยังไม่เห็นคัมภีรในคัมภีร์อาเจลกเป็นต้นผู้เรากับอาจารย์ยังไม่เห็นบาลีในบาลีอาเจลกเป็นต้นนี้ พวกเรายังไม่รู้ชัดการบรรลุคุณมิเศษไปยิ่งกว่านี้ก็ความสำคัญในอุทมบริการสูตรก็หมดเท่านี้หลังจากนั้นไปก็ปรากฏว่านิครทัพรีภาชกกรทูลขอภัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ขอไพรหนังสือไปชนไมคโรโฟน และก็พระเบิดพระพุธมีพระภาคเจ้ากระส่งชมว่าเธอเป็นคนดีรู้ความผิดแล้วก็องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรส่งแนะนําว่าการปฏิบัติถึงเพียงนี้ถ้าปฏิบัติต่อไปอีกถ้ามีบารมีแ ก, ก่กระไจะไปหลั่นภายในจิตวันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะไปหลั่นภายในจิตเดือน ถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะไปอรันภายในเจ็ดปีนี่หมายความว่าบรรดาแทนพุทธไบสัตต์องค์สมเด็จพระสุน์สวัตรีสุภาพทรงยืนยันว่าลำดับเพลงการสอนของพระองค์ในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงยืนยันแน่นอนว่าเลียงลำดับตามนี้นะพระองค์สอนตามแนวนี้ <c oughs> ถ้าจะถามว่าตรัสรู้สุขวราัสโกมีก็เป็นตามกํากลังใจของคนที่องสําเร็จพระทศพลทรงตัดไว้ทั้งสี่สี่หมวดขึ้นหนึ่งสุขวิปัสสโกการปฏิบัติเรียบเรียบไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดมีปัญญาเพียงแค่ตัด ก, กิเลสก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ตรัสรู้ที่กล่กาววันนี้เป็นหลักสูตรของวิชาสาม <c oughs> ขอไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลานี้ร่างกายมันกำลังแย่เดินก็ไม่ค่อยจะไหวลุกก็ไม่ค่อยจะไหวแรงไม่มีไม่เป็นไรก่อนจะตายแม้แต่องค์สมเร็จพระจอมไตรก่อนจะนิพพานท่านก็ยั ง, ยงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดคนทำให้ปริพาชกตั้นหนึ่งบรรลุมรรคผล และคนทั้งหลายที่ต้องการทำาไปองค์ทรงตรัสอาจจะมาเป็นลูกขององค์สมเด็จพระทรงเสงวัตติโสภากร่างกายมันก็ใกล้าตายเต็มทีแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเสียงยังมีกำลังสมองยังใช้ได้ก็ใช้งานต่อไปกระมวมความว่าองค์สมเด็จไปจอมจตรปิมัสสนดาหยืนยันตามนี้ ที่พูดนี้เป็นหลักควิชาสามแล้วก็ยังทรงตัดตัดหลักคำวิปิญญาหกระบริสมิทายานอีกอันนี้ไม่ขออธิบาย <c oughs> นี่มาย้อนหลังกันว่าเราจะทำยังไงจึงจะได้ปกเพนิวาสานุติยาน <c oughs> หรือว่าทีา่ไปจกุยยานที่ไกคุยยานตัวที่พระพุทธเจ้าจัดมากีนี้เป็นจุตัวประปาทิยาน เธอเป็นทิพยคุญานไม่กันจะมีเวลาความเข้มข้นมากวิธีปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทแนวแห่งการปฏิบัติจริงๆถ้าเราจะปฏิบัติกันต้องทําให้ได้ทิพยคุญานซื้อก่อนคาว่าทิพยคุญานเส้อก่อ น, ห, น, อนหมายความทิพยคุยานที่มีกําลังอ่อนกว่าจุตูป ป, รปาฏิยาน เนื้อแท้จริงๆญาณทั้งหมดก็เป็นทิพยคุยญาณเท่านั้นแหละที่เราเรียกกัว่าทิพยคุยญาณบ้างจุตูปปาทยานบ้างเจโตเรยญาณบ้างปุเพนิวาสานุสติญาณบ้างอาตีตังสียานอนาคตังสียานปัจจุปนันสียานยถาขโมตายานญาณทั้งแปดระการนี้มีกำเนิดมาจากทิพยคุยญาณอย่างอ่อน คือทำที่กุญญาณยังอ่อนให้เกิดขึ้นและรมทิ่กุญญาณให้เข้มแข็งเข้าถึงจุดตัวปปาร์ติยานพอถึงจุตตปรปปาดีตยานแล้วเราได้ยินชื่อคนและสัตว์ไม่ทันเอ็นหน้าถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี้เข้ามาจากไหน เราก็จะรู้พื้นฐานเดิมเขาได้ทันทีว่าพ้นพ้นนี้มาจากพรหมมาจากสวรรค์มาจากมนุษย์มาจากสตริฉันมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสํานรกเราดูได้แล้วก็นี่จู่ตัประปาริยานนะตอนนี้พอได้ข่าวคนตายว่าคนตายนี่ไปไหน ยินชื่อคนตายพัพทยาเจรูมันก็จะรู้ทันทีว่าคนที่ตายและเวลานี้สถิตายและเวลานี้ไปไหนแล้วต่อไปสำหรับเจโตป ร, ริยานเจโตปริยาณนี่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งคือสามารถรู้จิตของคนที่บางท่านบอกว่าเป็นพระอรียเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราทราบ ไม่ต้องถามกันไม่ต้องสอบดีปาก <c oughs> บางท่านบอกว่าด้ทรงฌานโลกีได้หรือไม่ได้เราก็ทราบบางท่านบอกว่าตนท่านเป็นคนดีเรารู้ใจว่าดีแลวเลวรวมความว่าความดีและความเลวนี่ถ้าเราได้เจตวปฎิยานแล้วก็ไม่ต้องบอกกันสำหรับมีหนังสือฉบับหนึ่งเขาด่ามา ให้กรมการสาสนาว่านี่นอนใจทําไมมาสอบสวนอาตมาความจริงก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาสอบสวนก็ใช้เจโตวปฏิยานที่หน่อยเดียวก็จะทราบได้ทันทีเพราะเรื่องนี้นะสอบสวนด้วยปากนั้นไม่มีผลหรอกโดยการสอบสวนกันถ้าคนมีกิเลสสอบสวนคนที่ไม่มีกิเลสเพราะว่าคนที่ไม่มีกิเลสสอบสวนคนที่มีกิเลสถ้าพูดกันไม่รู้เรื่อง เขาใช้เตเจโตรดยานเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าได้เจโตรดยานสามารถรู้จิตได้ทันทีและบริการที่สองคเจโตไดยานเขาสามารถชาระจิตกิเลสจากจิตของเราด้วย <c oughs> ว่าจิตของเรามีเกสรอะไรเกาะอยู่บ้างจะต้องชำระมันวิธีไหนตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็สังเกตใจของตัว มารู้ว่าใจหรือว่าจิตของตัวนี้มันเศร้าหมองตรงไหนกําจัดตัวนั่นสะอาดที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่เป็นพระอริยเจ้าไม่เป็นผู้ทรงฌานก็ไม่เป็นไรทํากําลังใจก็งเราให้สะอาดอารมณ์จิตก็เป็นสุขนี่เจตุริยานมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็ปกเพนิวาสานุสติยานปุเพนิวาสานุสิยานจะสอนเราทุกอย่าง สอนการตัดสับสนกันในด้านสังโยชน์สิบจะสอนหมดในด้านสังโยชน์สิบสิกายทิฐิร่างกายรายึดถือร่างกายเป็นสำคัญปุเพนิวาสารติยานจะสอนเอาให้ร่างกายไม่สำคัญเกิดชาติไหนมันพังชาตินั้น <c oughs> วิจิกิจชาสงสัยในคุณความดีของพุทธเจ้าประธรรมพระอาเดียสง่ง ระยะทราบว่าชาติไหนแล้วคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมใจปฏิบัตินอกรีบนอกรอยจากนั้นเราลงนรกทุกทีชาติไหนปฏิบัติตามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาวุฒิเจ้าทรงสั่งสอนแม้แต่เราไปนิพพานไม่ได้เราก็ไปสวรรค์ไปพรมได้มีสุขอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาศีลปฏิบัติบารมี แล้วก็จะทราบเจ้าหน้าที่ปุเพนิวาสารุติยานว่าชาติไหนเราละเมิดศีลชาตินั้นเราลงนรกชาติไหนปฏิบัติตามศีลดีชาตินั้นเราไปสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีมีความสุขมากนล้วก็ได้การมาชันทะปุเพนิวาสารติยานก็จะสอนเราว่าความรักในระหว่างเพศคนที่เราคิดว่าสวยว่าดีนะแกไม่ทรงตัว ขนาดที่จะเลือกกันก็ ค, คิดว่าสวยแล้วดีแล้วแต่ความจริงไม่ช้าก็แก่ลงไปทุกวันภายนอกเข้าใจว่าดีแต่ภายในเต็มตายไปด้วยความเต็มไปด้วยความสกปรกสโสโครกร่างกายของคนก็สกปรกจิตใจของคนที่มีเกลื่อยก็สกปรกมันก็สร้างความเบื่อนหน่ายเราติดกามาชันทะทีไรเรามีทุกหนักทุกที ดีไม่ดีติดมากเกินไปที่เรต้องถูกฆ่าตายก็มีก็รวมคว่าว่าปุเพนิวาสานติยานสอนเราให้ตัดการม่ฉันท่าเสอีกแล้วไปปฏิฆะความไม่ชอบใจคืออารมณ์ชั่วโกรธชอบโกรธชอบพยาบาัดปุเพนิวาสานติยานก็จะสอนเราว่าความโกรธในชาติใดๆที่ผ่านมา เราก็อย่าพบแต่ความทุกข์เราไม่เคยมีความสุขเราจะมีศัตรูมากกว่ามิตรจิตก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขถ้าชาติใดที่เราคลายความโกรธเราแสดงความเป็นมิจเจคคนส่วนใหญ่ชาตินั้นเรามีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ทำไมมีความทุกข์มาสอนเราอย่างนี้ลรวต่อไปอีกรูปราคาอรูราคะมณ ท, ทิตมณฑิตติอวิชชา พุทธจารวิชานี้ไม่ต้องพูดกันเป็นเรื่องอาล่ามแต่มักสอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งยานา น, านาคาเมีนีป่ปุเพนิวาสอนยาสอนเรามากถ้าเราได้และจะมีประโยชน์มาก <c oughs> แต่ก็ขอย่อนลอยถอยหลังอย่าลืมเกาะสะเก็ดความดีอย่าเกาะเปลือกเครื่องความดีอย่าลืมเกาะกับพี่เครื่องความดี มีเะนั้นแล้วจะไม่ทันเข้าถึงกานของความดีส่วนนี้เ <c oughs> นื้ยสำหรับผลของการปฏิบัติก็ไม่ขอแนะนำหนักเพราะว่าหลักสูตรมีท่านต้องหาครูบาอาจารย์มาสอนกันเพื่อกันความสงสัยที่ได้กันมากนะ่คือไม่เข้าใจขอโทษนะที่ไม่ได้กันมันนานๆสมัยก่อนก็สอนก็นให้ปฏิบัติกันเอง ไม่ต่ออะไรอย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่นผมนี่ท่านแนะนําอย่างเดียวเราก็ไปฟัด ก, กันตามโคนต้นไม้บ้างในปัญชาบ้างในปา่าช้าบ้างก็ยากผมรู้สึกว่าผมเองก็สู้ญาติโยมพุทธบริษัทสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้ท่านทํากันวันสองวันสามวันท่าก็เลื่อมได้เบื้องต้นแต่ว่าการได้และบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชน <c oughs> จะลืมว่าครูผู้สอนนะท่านแนะนําให้มีความเข้าใจให้เริ่มจากต้นทนปลายถูกเท่านั้นแต่การจะคล่องตัวได้การจะทรงตัวได้อยู่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีต้องไปฝึกฝนกันเองให้มีการขล่องตัวแล้วต้องมีการพิสูจน์อยู่เสมอวิธีที่จะพิสูจน์ นั่นก็คือว่าใช้ทิพกุญญาในเวลาเช้ามืดอันนี้เราต้องใช้ทุกวันอันดับแรกจับพระรูปประโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใส <c oughs> การจับพระรูปประโฉมนี่ถ้าจับพระรูปประโฉมไม่ได้ตามนิมิต ก, ก็จับพระพุทธรูปถ้าจับได้ตานิมิต ก, ก็ถือว่านั่นเป็นพระพุทธนิมิต เนื้เป็นดีมิตของพระเดเจ้าให้ปรากฏเรายึดถือเอาเป็นศาสนาถ้านักปราชญ์บางท่านอย่าเพลิดเพลินก็เป็นเรื่องของท่านเราฝันดีฝันขึ้นสูงไม่เป็นไรถ้าท่านนั้นหลายจะฝันลงนรกเราจะไปตามท่านอย่าไปคัดค้านคํ า, า, าสอนขององค์สมเด็จพระสัตรุดโตประสงค์ท่านถ้าทําได้ถึงขนาดนี้และจะรู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่โล ก, กันมานารกขึ้นมา ถึงพรหมโลกในหนักนี่ไม่ไม่ไมยากเลยรู้กันได้ชัดจะรู้ว่าเทวดานั้มีจริงพรมมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไม่ใช่กล่าวกันอย่างแบบเพ้อฝันว่าเทวดาไม่มีอะไรไม่มีนี่ไม่รู้ศาสนาไหนตาอ้างอิงว่าเป็นคนของพุทธศาสนานี่น่าสลดใจมากบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายเหล่านี้ มีเจตนายัางไงอาตมาไม่ทราบแต่ว่าสงสารประเทศไทยกําลังใจของคนจะแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายเมื่อแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายแล้วไปยังไงสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาคือประเทศชาติจะสลายตัวคนหนึ่งนิยมนับถือเทวดาอีกคนหนึ่งบอกเทวดาไม่มี คุยกันไปคุยกันมาก็เกิดการแตกเล่ากันขึ้นน้ำพึ่งหยดเดียวบรรดาแทนพุทธบริษัทสามารถสร้างเกิดเจลาจนขึ้นชั้นใดถ้ากำลังใจคนทั้งสองฝ่ายไม่เสมอกันเพราะคนไม่กี่คนมาทำลายศาสนาก็องค์สมเด็จพระสุงทนบรมศาสนาแล้วชาติของเราจะเป็นยังไง ถ้าชาติไม่มีพระพุทธศาสนาก็ทรงอยู่ไม่ได้เอรา ว, วัณดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงสั่งวรไว้ฟังเขาไว้แต่จงอย่าเชื่อจงพิสูจน์ด้ยการปฏิบัติเขาตนเองทําตนให้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาความจริงแก่นนี้ยังไม่ดีนะญาติโยมพุทธบริษัทเป็นแค่เสียงที่สุดของชานโลกีเท่านั้น ต่อไปก็ต้องปฏิบัติกันก็ถึงโลกุตระชานต่อไปอาราบรนดาท่านไหลมองดูเวลาหมดเสร็จแล้วนี่ถ้าบังเอิญเขาเทพออกมิทยุจะลำบากมากก็ขอลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทพรเป็นสาวกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะ ม, มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี